ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้สสภาคที่หเรื่องอพยราชุกุมารพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารอัอพยราชุกุมารตรัระธรรมเตสนานิว่าเอทะปัสสติมังโลกังจิตตังราชระ ถูปะมังยัตถพาลาวิสีทันติัติสังโควิชาณตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการจุดราชรสที่พวกคนเก่าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนพระราจุกมุมานได้รับพระราชทานราชสมบัติได้ยินว่า เมื่ออภิยะราชกุมารนั้นทรงปราบปรามปัจจันตะชนบทให้สงบมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้พระบิดาทรงพอพระทัยแล้วพระราชทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้วและได้พระราชทานราชสมบัติสิ้นเจ็ดวันอภิยราชกุมารนั้นไม่เสด็จ ออกภายนอกพระราชมณียนเลยสเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันได้เสด็จไปสู่ท่าแห่งแม่น้ำในวันที่8ทรงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนและการขับของหญิงนั้นดุดสันตติมหาอมาต ในขนาดนั้นเองแมหนางนั้นก็ได้ทำกาละด้วยอำนาจกองหลมกล้าดุดสาตราดุาาดหญิงฟ้อนของสัน ต, ติมหามาตพระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้วเพราะกาลกิริยากองหญิงฟ้อนนั้นได้มีความคิดว่าผู้อื่นเว้นพระศาสดาเสียจะไม่อาจเพื่อยังความโศกนี้ของเราให้ดับได้ นันนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิดตอนอุบายระ ง, งับความโศกพระาศาสดาทรงปลอบพระกุมาร น, นั้นแล้วได้ตรัสว่ากุมารก็น้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้ อยู่ในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นี่แหละให้เป็นไปแล้วย่อมไม่มีประมาณในสงสารซึ่งมีเบื้องต้นและเบื้องปลายท่านใครใครรู้ไม่ได้และเมื่อทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนานั้นแล้วจึงตรัสว่ากุมารเธออย่าโศกเลยข้อนี้เป็นฐานะ ที่จมลงของคนผ่านทั้งหลายดังนีน้แล้วได้ตรัสพระคตานี้ต่อไปว่าเอตัปสติมังโลกังจิตตังราชถู ป, ปะมังยัตถะพาลาวิสีสันติัติสังโควิชาณตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรส ที่พวกคนเก่าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนแก้อัดในรมนดาคำเหล่านั้นคำว่าเอธะปัสธาแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูพระศ า, ศาสดาตรัสหมายเอาพระรา ช, ชกุมารนั่นเองคำว่าอิมังโลกังแปลว่าโลกนี้ได้แก่อัตภาพกล่าคือกันทะโลก นนนคาว่าจิตนังแปลว่าอันตรการหมายความว่าอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นดุดราชนรสอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็บประการเป็นต้นคำว่ายัตถภาลาแปลว่าที่พวกคนเขา่าหมายความว่า พวกคนเขาคือคนผ่านเท่านั้นมกอยู่ในอันตภาพใดคำว่าวิชาณตังแปลว่าผู้รู้หมายความว่าแต่สำหรับผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความข้่องในกิเลสเครื่องข้องคื อ, คอราคะเป็นต้นแม้อย่างหนึ่งในอันตภาพนั้นไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชุกุมาร ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิปนแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้ประชุมกันนังนี้แหละเรื่องอภยราชุกุมาน